หมวดว่าด้วยนางภิกษุณีกล่าวถึงความเป็นมาของนางภิกษุณีและข้อปฏิบัติข้อห้ามข้ออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับนางภิกษุณีเจปัญจสติกันธกะหมวดว่าด้วยพระอรหันห์้าร้อซึ่งทำสังขยาครั้งที่หนึ่งพันนาเหตุการภายหลังพุทธบริณพานถึงการทำสังขยาครั้งที่หนึ่ง 8. สัตตสติคันธกะหมวดว่าเรียพระอรหันต์0รซึ่งทำสังคยนาครั้งที่สองพันนามูลเหตุและการดำเนินในการทำสังคยนาครั้งที่สอง